4.13 ความหมายของนิโรธวงเล็บเปิด1กุมภาพันธ์2551ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดนิโรธของพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่กับพระอรหันต์ที่ดับขันแล้วความหมายก็ไม่ค่อยตรงกันนิโรธในความรู้สึกของพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีคือความดับทุกข์ ถ้าถึงตรงนี้ความดับทุกข์มันจะดับหายไปเพราะยังคิดว่ามีสภาวะที่ไม่ทุกข์อยู่ในรูปในนามนี้อยู่นี่ความเข้าใจนิโรธของพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีคิดว่านิโรธคือความดับทุกข์สำหรับพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่นิโรธคือความพ้นทุกข์พ้นทุกข์คืออะไรคือพ้นจากขันนั่นเองขันนั่นแหละคือตัวทุกข์ส่วนนิโรธของพระอรหันต์ที่นิพพานแล้ว นิโรดนั้นคือความไม่เกิดขึ้นของทุกข์ฉะนั้นคําว่านิโรดเองก็ลึกซึ้งนะมีหลายนัยยะมีหลายความหมายเมื่อไรเราสามารถรู้ทุกแจมแจ้งก็เป็นอันละสมุทยัยนิโรดปรากฏขึ้นในขณะนั้นในขณะนั้นเรียกว่าเกิดอริยมรรคขึ้นฉะนั้นทุกขสมุทัยนิโรดมรรคนี่เกิดในขณะเดียวกันเห็นแจ้งในขณะเดียวกันพร้อมๆกันนั่นเองพอเห็นแจ่มแจ้งแล้วมันจะมีพลังงานที่มหาศาลนะ ในขณะนั้นโลกธาตุทั้งหมดดับสลายหมดเลยไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยเหลือแต่ธรรมชาติรูอันเดียวล้วนๆกับธรรมะสัมผัสกันอยู่อย่างนั้นสิ่งห่อหุ้มปิดบังจิตแทๆ้ๆถูกทำลายสลายตัวออกไปจิตใจกว้างขวางไร้ขอบไรเขตพ้นจากความปรุงแต่งอย่างสิ้นเชิง